พลบค่าหลังจากเตรียนดนตรีไทยเสร็จหนุ่มน้อยก็เตรียมตัวกลับเรือนของตนขณะเดินลงบันไดครูสอนพูดตามหลังว่าวันพระนะ้าฉันจะไปทุระที่อำเภออินเธอจะตามไปเยี่ยมบ้านก็ได้นะหนุ่มเจริญดีใจจนเนื้อเต้นเมื่อได้ยินรีบเดินขึ้นบันไดามาแล้วถามครูจะไปยังไงครับ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 ก็ยังดีกว่าไม่ได้กลับเลยไม่ใช่หรือเธอมาอยู่บางกอกกี่ปีแล้วสองปีเต็มครับผมคิดถึงคุณยายได้กลับไปคืนเดียวก็ยังดีผมขออนุญาตไปด้วยคนนะครับตกลงแล้วฉันจะบอกเพื่อนให้เราจะออกเดินทางตอนตีสีของวันโกนวันพระก็เดินทางกลับอาจจะถึงดึกแต่เธอไม่ต้องขาดโรงเรียน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 ถ้าเกิดเพื่อนของเธอจะไปด้วยกว็ได้นะที่นั่งยังเหลือเขาไปไม่ได้หรอกครับครูหนุ่มน้อยพูดเสียงเศร้าทําไมละ่ะถามอย่างแปลกใจเขาตายเส็จแล้วครับตายเมื่อกลางเดือนสิบสองคนฟังรู้สึกสังเวชนึกถึงหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่อุตส่าห์ส่งลูกมาเรียนบังกอก หวังจะให้ได้ดีมีวิชาครั้นลูกมาตายวายชีวาคงเสียใจจนแทบควบคุมสติไม่ได้นั่นเทียวเป็นอะไรตายแม้ไม่อยากถามหากก็อยากรู้ขี่รถไต่ถังตกลงมาตายครับในงานเจดีผูเขาทองที่ผ่านมานี่ใช่ไหมทำไมครูถึงทราบครับฉันอ่านาหนังสือพิม อันที่จริงไอ้การแสดงที่ทำให้คนอื่นต้องเสียชีวิตนี่น่าจะเลิกได้แล้วฉันว่ามันไม่คมุ้มชีวิตมีค่ากว่าเงินทองมากนะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้หวังจะได้เงินนะครับครูหนุ่มน้อยหมายถึงตัวเองซึ่งคิดจะเป็นแชมป์ขี่รถไต่ถังขณะที่หนุ่มกันเชียงอยากได้เงินแล้วเขาหวังอะไรละ่ะ ชื่อเสียงครับบางคนเขาอยากจะมีชื่อเสียงทางเป็นแชมป์ขี่รถไต่ทั้งน้ำเสียงยังบ่งบอกถึงความภาคภูมิแม้ความฝันได้พังทลายลงสิ้นแล้วเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุดครูสอนลงความเห็นคนฟังถึงกับสะดุง้งที่อยู่ดีๆก็ถูกด่าครูสอนหารู้ไม่ว่า กำลังด่าลูกศิษย์ตัวเองโง่ยังไงครับเพราะคิดตื้นตื้นนะสิคนที่ตายแบบนั้นจะเรียกว่าเป็นวีรบุรุษหรือกบเปล่าแล้วก็คงไม่มีใครคิดจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ถ้าตายเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ว่าไปอย่างฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกหนุ่มๆสมัยนี้ถึงเด็กคิดอะไรโง่โง่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 ก็นั่นแหละคนเราเมื่อถึงที่ตายถึงจะไม่ได้มาบาังกอบก็ต้องตายอยู่ดีเธอต้องทำใจให้ได้เอาละ่ะกลับไปอ่านหนังสือทำกันบ้านได้แล้วหนุ่มน้อยจึงไหว้คนเป็นครูอีกครั้งแล้วเดินลงบันไดกลับไปยังเรือนที่ตนอยู่ ยินดีที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านทำให้หนุ่มเจริญปลาปลืม้มจนนอนไม่หลับคนที่เขาคิดถึงมากที่สุดคือยายรองลงมาคือบิดามารดาและพี่ๆส่วนเพื่อนๆ น, นั้นเขาก็คิดถึงแล้วก็เกิดความกังวลว่าคงจะไม่ได้พบกันด้วยเวลามีจำกัดกว่าเรือจะไปถึงสิงบุรีคงบ่ายเขาต้องเดินจากท่าเรือไปบ้าน จากนั้นก็ไปเยี่ยมบิดามารดาก็ดีเหมือนกันที่ไม่มีเวลาพบเพื่อนมิฉะนั้นคงต้องถูกต่อว่าต่อขานที่พาหนุ่มกันเทียงมาตายยิ่งในลานกับนางบัวไขนั้นขออย่าให้พบเลยเวลาหโมงเช้าเมื่อหนุ่มเจริญมาถึงโต๊ะอาหารที่เรือนใหญ่คุณรัตนานั่งคอยอยู่แล้ว เธอตักข้าวให้เขาและตัวเองเมื่อรับประทานเสร็จก็จะช่วยกันล้างจานแล้วจึงเดินไปขึ้นเรือที่สาลาท่าน้ำถ้าทางคุณเจริญคงนอนไม่เต็มตากระมังหรือตาโหลเชียวคุณรัตนาทักด้วยเป็นคนช่างสังเกตครับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะ ถามอย่างเป็นห่วงไม่มีครับเพียงแต่ผมดีใจที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่สิงบรีครูจะให้ผมไปด้วยดีจริงรัตนากับคุณแม่ก็จะไปกับคุณพ่อคงสนุกนะคะครับถ้าไม่เมาเรือซะก่อนคงไม่กระมังรัตนานั่งเรือไปโรงเรียนทุกวันนี่นามันไม่เหมือนกันหรอกครับ เรือที่เรานั่งเป็นเรือหางยาวแล้วก็ใช้เวลาวิ่งเพียงชั่วโมงเสร็จเศ็แต่เรือที่จะไปสิงบุรีเป็นเรืออีกแบบหนึง่งแล้วก็ต้องนั่งเกือบสิบชั่วโมงหนุ่มน้อยอธิบายถ้าอย่างนั้นรัตนาจะหาของเปรียปร้ยวๆไว้รับประทานในเรือจะได้ไม่เมาดีครับกันไว้ดีกว่าแก คุณโกสุ่มมองตามสองหนุ่มสาวที่เดินเคียงคู่กันไปยังท่าน้ําแอบชื่นชมในใจว่าทั้งสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกครั้นเมื่อนึกถึงคําพูดของพ่อเจริญความชื่นชมก็เปลี่ยนไปเป็นความชะงนสนเทจึงแอบค้นในใจว่าคนอะไรคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่อยากแต่งงานแต่ก็ไม่อยากบวชครั้นแล้วก็สรุปเอาเองเสร็จสั์ คนเกลียดพระอีกหน่อยจะต้องไปเป็นพระเพราะหนุ่มคนนี้จะต้องบวชไม่สึกยายกลับจากซื้อของที่ตลาดโดยมีนางสาวจำแลงหาบสาหรกเดินตามหลังเวลาสองปีที่ผ่านไปดูเหมือนจะลักพาเอาเรี่ยวแรงของยายไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้ ยายยังหาบของไหวมาบัดนี้กำลังวังชาลดน้อยถอยลงจนแม้จะเดินก็ยังต้องใช้ไม้เท้ากรนั้นยายก็ไม่ยอมแพ้สังขารเมื่อถึงวันโกนจะต้องไปตลาดซื้อของมาเตรียมไว้ทําบุญในวันพระเมื่อถึงบ้านยายสั่งให้หลานสาวหาข้าวหาปลามากินกันจัดสำรับเสร็จหลานสาวไม่ยอมกินล่อนอยากกินกว๋วยเตี๋ยวที่ตลาด หักยายไม่อนุญาตจึงประชดด้วยการไม่กินข้าวเองไม่หิวหรอกหรือยายถามไปอย่างนั้นเองรู้ว่าหล่อนงอนหิวแม่หลานสาวตอบเสียงห้วนแล้วทำไมไม่กินก็แค่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวเมื่อข้าวเต็มทีแล้วอย่าเรื่องมากนักเลยนั่งจำแรลง กินอะไรมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละข้าวบานเราไม่กินทำไมจะต้องไปซื้อเขาให้เสียเงินเสียทองเปล่าๆสู้เก็บเงินไว้ให้ลูกหลานดีกว่ายายเทศนาซ้ำๆแบบนี้แทบทุกวันโกนแค่ไม่มีลูกนางสาวจำแรลงเถียงแต่เองก็มีหลาน เชื่อข้าเธอะถ้าเองใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยวันข้างหน้าจะไม่มีทรัพสมบัติไว้ให้คนรุ่นหลังยายกะอีกแค่เงินสลึงเดียวจะไปหนักหนาอะไรข้าว่ายายขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องให้ข้าหาบของไปขายหาบทั้งขาไปขากลับขอกินก๋วยเตี๋ยวแค่ชามเดียวก็ไม่ให้หลานสาวรู้สึกเคืองแค้น เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเกือบทุกวันโกนไม่รู้ใหญ่จะใจแข็งไปถึงไหนก็ไม่ใช่เพราะความตรณีที่เหนียวหรอกหรือขาถึงมีสมบัติไว้ให้ลูกหลานที่เองมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะบัรพระบรุษของเองรู้จักเก็บรู้จักใช้หรอกหรือ เองอย่ามาดูถูกเงินเฟืองเงินสลึงว่าหม่มีค่ะเงินบาทเงินร้อยก็มาจากเฟืองจากสลึงนี่แหละตอนไอ้หนูอยู่กับค่ะเขาก็หาของไปขายให้ค่ะหาทั้งขาไปขากลับค่ายังไม่ยอมให้เขากินก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นชามละสามสตางค์เอง แล้วเรื่องอะไรจะให้เองกินชามละตั้งสลึงยายอธิบายได้ชัดถ้อยกระทงความแล้วจึงกินข้าวคนเดียวอย่างอร็ดอร่อยไม่สนใจหลานสาวที่นั่งกล่นน้ำลายเอื้อกเอื้อในที่สุดจึงต้องคดข้าวมานั่งกินกับยายด้วยว่าหิวจนแสบท้องอิ่มข้าวกันแล้วยายสั่งให้หลานสาวโมแป้ง เพื่อทำขนมโบยลอยไข่หวานยายแช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่ตอนตีสี่เมื่อโม่แป้งเสร็จก็จะนำแป้งที่โม่ละเอียดแล้วนั้นใส่ถุงผ้าดิบมัดปากถุงให้แน่นใช้โม่ทับเอาไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นจึงนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆต้มกับน้ำตาลและกะทิ เรือส่วนตัวลำใหญ่จอดที่ท่าน้ำสิงบรีหนุ่มน้อยนายหนึ่งเดินขึ้นจากเรือสองมือหิ้วฉลอมใบเขื่องข้างลาใบสาวน้อยโบกไม้โบกมือให้เขาพลางสั่งความคร่องนี้บ่ายสามโมงจะมารับนะคะขึ้นจากเรือเสร็จหนุ่มเจริญวางฉลอมลงหันไปไหว้พวกผู้ใหญ่ในเรืออีกครั้งและโบกมือตอบสาวน้อย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 ทั้งที่รู้ว่ามันหยุดทำงานมาปีกว่าแล้วดูนาฬิกาพอเป็นพิธีแล้วจะเงยหน้าดูพระอาทิตย์พอจะคำนวณเวลาและนาทีได้บ่ายสองโมงครึ่งครับเขาตอบขอบใจมากพอนุ่มลุงคนนั้นกล่าวแล้วเดินเลี่ยงไปทั้งที่ยังคลางแคลงใจว่าเหตุใดพอหนุ่มจึงต้องแงหน้าขึ้นดูดวงตะวันด้วย เดินไปสักครู่ก็ต้องหยุดพักวางฉลอมในมือลงกับพื้นเพราะทั้งหนักทั้งเจ็บมือส่วนเรื่องเหนื่อยนั้นพอจะทนได้ชายคนหนึ่งเดินตรงมายังเขาตามองเขมงที่ข้อมือข้างขวาน้องชายใส่นาฬิกาโกดังกี่โมงแล้วหนุ่มน้อยจำต้องก้มดูนาฬิกาหากคราวนี้ไม่จำเป็นต้องแหงนหน้ามองดูตรงตะวันก็ตอบได้ บายสองโมงสี่สิบนาทีครับเขากะเอาว่าเดินมาได้สิบนาทีแล้วนาฬิกาโกดังยี่ห้ออะไรนะ่ะคนถามดูสนใจนาฬิกาเป็นพิเศษไวเลอร์ือดอกตอบแสดงความภาคภูมิซื้อจากบางกอกหรือขอโทษเถอะกี่ช่างนะ่ะเขาอยากจะตอบว่าสิบช่างแต่ก็จุดคิดได้ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้ชายคนนี้อาจฆ่าเขาเพื่อชิงนาฬิกาก็เป็นได้ผมไม่ทราบหรอกครับมีคนเขาให้มาคงไม่กี่ตำลึงพูดจบก็ก้มลงหิ้วฉลอมเดินต่อไปแล้วก็น่าแปลกที่ว่าทุกครั้งที่เขาหยุดพักจะต้องมีคนมาถามเวลาและชมนาฬิกาที่เขาใส่ความจริงนาฬิกาเรือนนี้เขาได้มาจากมารดา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 ภาวนาขอยายให้พบคนรู้จักเกือบชั่วโมงจึงถึงบ้านที่เคยอยู่กับยายเมื่อเดินเข้าประตูรั้วบ้านนางด่างกับนางดำวิ่งเห่ากันโชคเข้ามาแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเค้ามันก็หยุดเห่าและเข้ามาเคล้าแข่งเคล้าขานายเออเอ็งสองตัวดูแก่ลงใบถนัดเลยนะเข้าไปแค่สองปีทําไมพวกเอ็งถึงแก่ จนผิดหูผิดตายอย่างนี้เขาวางฉลอมลงพลางพูดจาทักทายนายเองก็แก่เหมือนกันหากพูดได้เจ้าสุนัขสองตัวคงพูดอย่างนี้ออกลูกกี่ครอกแล้วละ่ะพวกเองแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากกินกับนอนแล้วก็ออกลูกโชคดีนิดตรงที่ไม่ต้องเลี้ยงเองพอาะ่านมก็มีคนมาขอไปเลี้ยงไม่งั้นบ้านข้า คง ม, มีหมาเป็นร้อยตัวละมัง่งนายก็ยังบนเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละนะนางด่างอยากจะพูดอย่างนี้หายเหนื่อยแล้วหนุ่มน้อยจึงหิ้วฉลอมขึ้นบ้านนางสาวจำแรงได้ยินเสียงนางด่างกับนางดำเห่าคิดจะออกมาดูว่าใครมาแต่เมื่อเสียงนั้นหายไปจึงโม่แป้งต่อ ครันเห็นน้องชายหิ้วฉลอมขึ้นบันไดามาก็ดีใจรีบวิ่งออกไปรับและช่วยถือของยายไม่ได้ยินเสียงสุนัเขเห่าสองปีมานี้หูตาของยายทำหน้าที่ไม่ได้ดีเช่นแต่ก่อนก็มันทำงานมาร่วมเก้าสิบปีแล้วจึงสึกหรอไปตามเหตุปัจจัยยายกำลังขัดขันลงหินเพื่อจะใส่ข้าวไปวัดในวันรุ่งขึ้น มือทั้งสองเปรอะไปด้วยขี้เท่าและมาขามเปียกที่ใช้ขัดครั้นหลันชายมานั่งคุกเข่าข้างๆแล้วกราบที่เท้าอารามดีใจจึงกอดเขาแน่น ท, ทั้งทงที่มือเปื้อนต่างดีใจจนน้ำตาไหลทั้งสองคนเอ็นมายังไงไอ้หนูนี่ยายไม่ได้ฝันไปนะฝันอะไรกันกลางวันแสกๆ แ, แลยยาย นางสาวจำแรงทนฟังไม่ได้จึงพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างดังไร็เองไปให้พ้นหูพ้นตาขาไปก็จะคุยกับหลานค่ะไปก็ได้แม่ทำยัง ก, กะข้าไม่ใช่หลานยางงั้นแหละไว้หลานยายกลับแล้วอย่ามาเรียกใช้ข้าก็แล้วกันพี่สาวหนุ่มเจริญบนกระปอดกระแปดแล้วเดินเลี่ยงออกมา จุดสนใจของหล่อนอยู่ที่ชฉลอมสองใบจึงถือวิสาสะเปิดออกดูปรากฏว่าใบาหนึ่งบรรจุมะพร้าวซึ่งปอกเปลือกออกแล้วและเห็นกลา ด, ดำเนียมอีกใบเป็นมังคุดยายหันมาเห็นจึงถามเอ็งซื้ออะไรมาฝากยายหรือไอหนูไม่ได้ซื้อหรอกครับครูสอนคนที่ผมไปอยู่ด้วย ท่านให้มะพร้าวกับมังคุดมาฝากยายของจากสวนท่านไม่ได้ซื้อหาอะไรหรอกอย่างนั้นหรือแล้วเอ็งจะกลับเมื่อไหร่พรุ่งนี้บ่ายสามตรอจะมารับที่ท่าน้ําครับตอนนี้เข้าไปอินบุรีกันผมขอเข้ามาเยี่ยมยายด้วยงั้นเอ็งก็ได้อยู่บ้านวันเดียว แต่เอาเถอะก็ยังดีกว่าไม่ได้มาพรุ่งนี้เองกลับยายจะฝาก ข, าขา่าวเขาจมปากับพวกปลาอยางปลาเข็มไปให้เขาเป็นการตอบแทนนั่งจำแลงเอ้ยยายหันมาสั่งหลานส า, าวเอาขา่าวเขาจมปามาสองถัง แล้วเดี๋ยวออกไปซื้อปลาอยางปลาเค็มที่ตลาดมาให้ข่าด้วยจะเอาไปให้ครูของหลานข่าเห็นไหมล่ะพูดยังไม่ทันจะขาดคำก็เรียกใช้ข้าแล้วหลานสาวค้อนประหลับประเลอกก่อนลุกออกไปจัดการตามคำสั่งของผู้เป็รยาย